นภโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมะสัมพุทชาสะธรมะจาริสุขังสีติสาธาโวฟังดุราโสตุจนาพมีออกสะทาตังหลายโมลวันนี้ปีนี้ไมยว่า เป็นปีปันสามรตัวเดิน3ออก1ิบแอดคำหากเราตัรุ้ที่ได้เตเตะศสนาธรรมปันกลมหออกศรัทธาขอให้กลมหออกศรัทธาทั้งหลายมนจุงตั้งโสตาภาพศาสตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังสืบต่อไปปลายนา วันนี้ก็ตอบว่าระาได้มาเตจเทศนาธรรมได้มีผรสสังฆาเจา้าหลายตอนมาเตจเทศนาเนป่มเหวี่ยกสะทา่มเหวี่ยงสะ ท, า, ะสะทาก็ได้ยินไดฟังไปได้นั่งทำกรรมสอนไป ปฏิบัติได้นั่งทำกมสอนไปเป็นไม่ไต่สองนำตามชีวิตของปลุ่มเนี่ยสธาในส่วนของผู้ตุลูกนั่นที่ว่าเป็นปีสุดท่องเป็นปีสุดต้องเป็นน้องสุดท้ายของใจเกินพอเปอรวายังมีตุปีแทงตอนหนึง่ง ตุปีสามเปียงที่มาขอจอดขออภายวันนี้เอาอุตุลูกขึ้นมาปันนำ้ำทงกำสอนเก็บบ่งหยอกสถทนได้มาเข้าปริวักรรมตีหมอนเรือของเฮาตินีสามปีเข้ามาเข้าสามปีที่ต่อกัน ตีมือตังไหนผมจับมือดอกไม่เต็มนี่ยสำคัญผมอยากศรัทธาเขาเปิ้ลบอกว่าปางพระเจ้าลองเตียงอย่างไดหากดอกไม่เต็มเนี่ยมามันใดก็จําเป็นได้มาเปินน้ลมีกรรมว่าไว้อย่างหนึง่งบรรเท่าเมื่อก่อนนึก เ, เต็มเต็มผมมู้เปิ้ลว่าถ้ากันว่า เขากำติดต่อกันสามปีโดยจำพาะตุกปีเท่านี้ซึ่งไปปลูกพรกกาดของหอมมาเจนจา่าโดยสุขสาารกพรซึ่งไม่มีมผีปลูกพรกกาดหอมเจ้วซังไปเล่งเต่งมีอะไรผักกาดเนี่ปลูกกี่ไหนก็ออกเยอะเหนียวประว่าอยู่ได้ถึงได้หองว่าผักกาดว่าบันกาซังก็กเมีย ขี่ไนกัเมียถ้ากันวลาผูดผ้ า, ากาวมออกอนจากแคสังกิน่ะโบทเป็นผ้าเป็นตู้ตลอดชีวิตไปกินเขากันเมียอัศธามาวันนี้ก่อนตีที่ใดเตเตสนนธรรมโดยว่าปีนี้นั่นเป็นปีสุดท้าย ทีตามผมออกศรัทธาหมอนเธอหนันใดเข้าตังติ่ต่อกันมาก็ปีดีนั่นเป็นปีดีปีงามอาศัยความสา ม, สามัคคีของศรัทธาบ้านหมอนเือของเขาแล้วก็ศรัทธานานาติซาอนุติสา มาติดมาตาอหูกันให้หรือปางเขาปริวาสกรรมติดต่อกันมาได้สามปีเป็นติดอีสาธุอนุโมตนาวัยหลังเสอออกกรรมปอกทนสองอุตุโลกะไรปอกไปศสก้างเหตนต่อที่เมืองไทยมาเที่ยงอกหนึ่งปมหยอกเส้าท่าหลายคนกวดตัด เมื่อเดียวเส้นเปีมาเลือดเก่าเหมือนอยู่นี่เปิลว่าหรือกอมีไม่อครับหลาย ก, ก, ก็บอกว่าโอ้ตู้ปีมหาเสนแยงซื้งเอาเนี่เหมื อ, อกมนก็บอกว่าทุ้ปีมหาแสนแยงมันไปขอกํำบอกเฮือดมันเจียวมีบอกเฮือดอยตรงนี้ว่าหรือก็ ม, อก ม, อกมีวันนี้แม่มาได้ข่าวตู้ลูกซึ้งเน่นนอนนับที่แต่ยังสื้ง อยู่ได้อยู่ก็ต้องยินดีกับโดยผมหยอกสัทธาตีปีมาเน่นใจสรสาสา้างหยอกสัทธาปว่าเปิดสัทธาติบานหมอนเฮือของเขาเนี่ยแฮดคอร์พักหวานอันนี้ยินดีจับใจอันนี้ผมหยอกสัทธาว่ะแฮดคอร์พักหวาอนอันไหนก่อไข่กีบ อ, อันไหนก่อไขกินสอนไปสอนมาอย่างสองสามวัน ก่อที่ออกคำเนี่ในใจแกมไข่ออกเตอกินข้าหมี่ออกซัท้ายางอิเตอแต่ก็โก้กมมีออกซักท้าเพราะว่ากรรมอันจะเบาปมีนอคอยเปิตาแกกินเอากินเอาขีาข่ปุ้มโปไก่ดอะไรกาวันนี้นั่นก็ยิน ด, ดีกับโดยกลมีออกซักท้า นานาติศาอนุติศาทั้งเสเข้ามาฟังธรรมปารีตีไดยอดขึ้นมาเก่าแมื่อผมเหวี่ยสะทธาตั้งเบิ่งตอนนั้นว่าธรรมมาจารีสุกขำสีดีปว่ากัมเฮาว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นอยอมอยู่เบ็ดซูผมเหวี่างสาัทธา ปฏิบัติธรรมนั่นอย่างอยู่เป็นสู้กรรมนี้ธรรมอันว่านั้นมีซ้ำก่อ ย, อยธรรมก็หมายถึงน้ำธรรมกรรมสั่งสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าใดลาคาบาทออบโหดเมื่ออายุสาวเกาปีมีลูกสองพ่อและอโบโหดเมื่ออายุสาวเกาปี ไปกำเจ้งปฏิบัติต่อถึงอายุปไตรสาสิบหาปีจังที่ใด้าทเพีเป็นสัพัญญูพระพุทธเจา้าสืบแต่นั่นก่อเตียวเตสันธีเผยแผ่ศ า, าสนาเก่ผมหยอกสะทาในบ้านในเมืองตีนั่นเป็นเวลาสี่สิบหาปีสืบมาอายุวสาพระพุทธเจ้าแปดสิบปี ก่ได้เข้าสู่นิพพานไปพระอรหันตตาขระเจ้าจึงได้รวบรวมเก็บของเอาน้ำทำคารรสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาแทบคือเป็นหมู่เป็นหมดห้องว่าปิตาทตาังสัได้พิคูสามเณรได้ศึกษาเองสืบต่อมาถึงปัจจุบันของเดียวนี้เพราะฉะนั้น ภูปฏิบัฏธรรมอยอมอยู่เป็นสุขกรรมวัดธรรมนี่ก็หมายถึงปิตะกรรมปิตะกะากธรรมต่างสามปิตะกะารธรรมต่างสามนี้เอาติโยติแก่เอาติโยติแก่โ ย, ยมาือผมเหวี่ยงสัทธาเข้าใจไลยกมีตาหนะ้าศีลละเลยภาวนาะมีสามตัวนี้เลยก็เหวี่ยงสัทธา ตุปปีพระสังฆาเข้าเจา้าได้เตศนธรรมเหลืองตาหน้าเหลืองศีละภาวนาไปก่อหลายตอนแต่ตั้งสิงตั้งบนวันนี้กติเตเสนธรรมแนื้อปลอมยอกสัทธาเหลืองศีลเอาเหลืองศีลเหลืองเดียวศีลนี้ปลอมหยอกสัทธากล่าวหูจักกับศีลดียวไยเหมือนก็ก่อดทิ้งป่องใจ เหมือนก็อปมหีอยกศรัทธาก่ที่พูจักกาศีนหาเฮาได้สมัคทานศีนหาศีนั่นเหี่ยงศรัทธาที่พู้จา ก, กาศีนหาเจอเดียวอันนี้เป็นขอปฏิบัติสำหรับปลอมีอ่ยงศรัทธาตีแ็นค่าหัคหตค่อนเืินโตไปหรือเสนี่ยังมีศีนแทงหลายสี ศีลของตุ้ปีเขาก็มี2ปากใลเศร า, าเจ็บคอศีลของตุ้ปีมีสองปากใลเศร า, าเจ็บคอศีลของคอนนอนวัดมีหลายคอผมอเหี่ยวกับามี8ขดอ <c oughs> สมัยก่อนมีตู้แม่หรือเซตู้ปีเรายังมีตู้แม่เนี่เมื่อปานพระเจ้าเมยิ่งปวดเป็นตู้ ผมอยากสัทาเขาจิ้มเกยได้หันสีนของตู้แม่สีนของปิคูนีนั่นมีสามปาหลายสิฟแอขอบเหลือเซนี่ยังมีแทงหลายอย่างติจินันมาบอกเก่าในผมอยากสาัทาสีแทงอย่างหนึ่งห้องว่าอาจีวะปริสุทธิสีอันนี้บอกว่า การเลี้งชีพจิตใจโดยจอบตามกองธรรมวินัยนไปหลับไปโจ น, นไปกา้าวไปขายอันผิดกฎหมายอันดีงามเลี้งชีวิต จ, จิตใจกล้กากล้าขาขายไปกา้าไปขายก่มวอกป่นกุ้งเป่นขายหรือมันโก่งมันขายรมันจับจับก่าก่าหมันจับจับก า, ก า, บ า, บบกาอันนี้ ได้จีวรหักษาสีเหมือนกันรวอมเมตตาห้องว่าอาจีวะปริสุทธิศีนใจกับศีนหายอย่างเดียวไปข้อที่สองปัจจะยะสันนิสตาศีการหมออยู่หออยู่เพิ่นหมอใจหมอสอยหมอซื้อหมอจ่ายอันไหนคน ด, ดีซื่ออันไหนคน ด, ดีจ่าย อันไหนโกดีเก็บหอมไว้ใจใจมันโกดีอันนี้ก็ห้องว่าเป็นการทักษาศีเหมือนกันภาษาสังฆาพเจ้าห้องว่าปัจจะยกสันนิสิตาศีกัมมีบ า, เาเนเทาเมืองเขามีสุภาษิตสอนมาเจโบรางวัตนดีกว่ากํกินเปินเหล่าจี้ไฟดีต่อ คนเบายองตีน้องดูแก่ผมเหี่ยวสท้าก็าจังปอบใจกำกินคือตามกินเฮานี่เปืน่นเ่าจี้ไฟอยู่โตคนเบายองนี่ตีน้องดูแก่ย้อนเผือเฮามีกำสอนนั่นเนี่ยผมเหี่ยวสท้าสิ่งแคคือเฮายองตามนอกแต่ตามในไม่อยอง กามีการหลอกกามีการหลอกกามีกาเอามาเปรียดให้เปิดก็เปิดดูมิโนกเปิดตีเตีนเดนตาว่าเขานิ่มีสั้งแต่เขานิ่มบองสั้งเหมือนก็มาวัดกัยองสัทานอนวัดอ่างหลายทีตัวเนี่ยสัทางทองใส่สายคอแซงหนุมมาใส่จอบมือแซงหนุ่มมา ใส่แหวมือแซหนมาใส่ปีหูส๊สซ็งนมมาแล้วก็มาหนังกันอันนี้หลานซือคืออันนีู้ื้อคืออันนี้ดูกเมืองไทยซือคืออันนี้อยู่สิีกะโปซืออมันก็มาหนังตังนาปนใส่มาสามสี่จอมือพอตุปีปังป้อนแล้วสาทุยอกข้นสูง มันวนหร์ควันตั้งหลังที่ได้หาเหียัทธาเขอยาให้อันเนาถุยควนหสัมผีตั้งีปิดหาเนี่ย อ, อ, อันเนีร์เอามายองเนีกันย้อนเบอร์กรมหยอกซัตธาหอมใกล้ไไปที่ไหนหลูกล้ำซื้อหอมจากแก๊บแวร์ซังมอนอนเมินนอนบัดใส่เมือ เอาผาเหนกันยาไหนกันกรรมนามีนิตาเรื่องหนึ่งที่ว่านห้ผมย่าศรัทธาเรื่องเห็นเปินเรื่องยอมเปิดวันนี้ก็ที่ว่านห้เรือ่องสีนั่นปันผมย่าศรัทธาในคบการหมอใจหมอใจหมอแก็บหอมตอมจูอันไหนโก ด, ดีซื้ออั น, น คนอีซื้อของสิ่งหนึ่งปองเหี่ยวซาาเขามีกาขันอยู่สองจุดอันหนึ่งกาขันเตะอันกาขันแก้มเซอเพิร์ดหนึ่งกาขันเตะมันมีทั้งกาขันเตะมันใส่เปลอเฮกังอันกัดอันห้อนอันหนาอันนี้กาขันของเซอกาขันป้อมจำงป็นซัง กาพันพร้อมกับไปซื้ออันราคาแพงอันหั่นดีอันหั่น ง, งามใบเปียกในเปืนไใโอดอางในปืน อ, อันนี้เป็นกาพันพร้อมอุปมาง่ายๆโทรศัพท์ก็มีสองกาพันกาพันหนึ่งกาพันเตะกาพันหนึ่งกาพันแกะกาพันเตะเป็นซ้ำโทรศัพท์ไวเอามาโทรแล้บก็หับสายลายป้าแดงนี่จะเล่น มือเหลวนี่กาขันแก้วเป็นสั่นกาขันแก้วบอกไข่ใจของดีๆใจของเต็มเตยมใจซัมซุ ง, งใจไอโฟนห้าไอโฟนหกกว่าไปอันนี้เอาไปอาบให้เปิดตีเต้สื้ออันสองหมื่นในสื้ออันหาแสนโทรได้เหมือนกันหักไปเหมือนกันผมอย่างสัตหีอันนี้มันมีกาขันแก้วอจอมันเอาหนูตัวกาขันเต้ ตัวตัวเฮาก่อนเฮาถึงกวนดีอันไหนเฮาก็มีหลายเฮากาะสื่ออันปลอดีอย่าพี่ยอมป้อนตีอย่าพี่เอาป้อนตีป้อนตาใข่เปี้ยไม่เปิดไข่อาจไม่เปิ น, ปนสุดท้ายมาตัวเฮากว่าลำบากเงินคําเมากว่าจ่ายแห้สิบบอกมากว่าพิษกันผู้หาเงกว่าไข่ตายมาไวในตักเหนียไปซื้อคําใส่เหนียวไปซื่อคาใส่ ไปจิ้มแขกเป็นการอันนี้ตัวตาถัางเตะการของผมแท่งสีหนึ่งผมเหมนี่ยวสะทาห้องว่าอินตรียะสังวรศีสีคือการสั่งรอมระาังตาหูดังลิ้นใจของเขานั้นสั่งรอมระาังไว้ตาอันว่าก็ตัวสิ่งตีกนตัวหูนั้นก็ฟังแต่สิ่งตีกนฟัง อย่าไปฟังกำจุกำสอกำสอนั่นมันเจ็บใจผมอยาาสัทธาเขาภาษิตโบราณว่ากำสอเป้กำย่อปาขอเป้จิตตึงเปิลอยก็คือก็อยากดีมาสิจูบควันดีมาสิปีเปินมาสอกำเดียวใจเขาจากลูกอย่างนั้ เปินมายกยอรู้ดีจะนั่งดีจะนี่แต่เปินมาสอบมีความาหวาดหองดีว่าเป็นทางจะดีว่าใจเราฟื้นขึ้นมานจังหวากำสอบเป๊กํหยอป้าขอเป้จิงจึงคือสังรมระวังตาหูดังลิ้นโตใจของเขาวันนี้ตาคือตัวใจสิ่งที่คนตัวอย่าไปตัวอันดี หูฟังเจตสินตีโนฟังอย่าไปฟังกําจูกําศอกําหยอกเปิดพิดกันไปหงอกโดยเปิดเห็ น, นกล้าทาําไปอย่หูฟังเปิดแหงนีน้มันก่เ อ, อเอกี่ยวเขาเหมือนางศรัทธาเขาเพราะฉะนั้นอย่าเจ้ยวหูไปเสดอย่าเจ้ยวหูไปฟังกําจอกําสอกํ า, าเปิดพิดของเงินั้นดังริมตูวใจเขาเหมือนกันสันรงรวมระวังไว้ดี โดยหลองสังกวรตาหูดังดิ้นใจดีมีพระจอมเมืองตอนหนึ่งได้นับถือพระราสีตอนนี้นาะผมเห็นศรัทธาเขาพระราสีตอนนี้อยู่ที่สวนอุยานของพระจอมเมืองได้ปํำเป็ญเกลี้งกรรมถึงสา ม, มาโพธชานได้บินได้านได้ตุกวัน ตุกวันนั้นก็ได้บินมาชันมาหักเข้าตีที่บังตีในบงังตุกวันตุกวันไกลกัน่นะสวนอุยันอยู่นอกเมืองลูกเจ้าบินถบาทมาหับเข้าบาดจากพญาจำเมืองแล้วก็บอกไปชั้นตีสวนอุยานสืบมาเป็นเวลาหลายปีมีอยู่วันหนึ่งผมบยวสตา พ่จะมืองอยู่สั่งนางมาเหสีไว้นางมาเสีเอ้ปีที่ออกไปต่างบานต่างเมืองกําหนึ่งระหว่างตี๋มอยู่นี่จอยดุญลาอุปถัมภ์พระศีเนอร์ใส่บาตรันพระศีอย่าไปหือขัดมันนางกดปฏิบัติจอมมีอยู่วันหนึ่ง พระศีกอชาดมาสมาลาอีกหนึ่งนางมหิศสีนั่นก็ได้จัดดาเขานำโูจชนอาหารไว้ใส่บาตรไปผมตั้นมาเตลเลขึ้นไปนอนเหนือเฮิ้นตะตทนาป่อไว้ไปไปกำหนึ่งเกินพระศีมากก็ลงมาใส่บาตรเวลานั้นพระศีชาดมาโดยอันไหวโดยอันลี เสียงลมปัดพาดังปุกปุบเนื้อกางผาวมานั่งมาเหสีตึกนอนอยู่โวดผาาลุกขึ้นมาได้ยินเสียงของอันพราศีนั่นชานมาโวดผาาลุกขึ้นมาไปงอตีนาปอกเสภานุสินอันนุหลุดตอ ก, ก็ดีพราศีเหลวไปใส่หันใส่พราสีตุกปอกนั่น ไปกึดตีนาเธอใน่หับปากุบันว่า น, นั่นพระศีในสังรมตาตัวไปตัวมาชันไปชันมาไปหันใส่ตีนาปองสิลงรตอกดีเหนียวเข้าวัดวายหเขานาปอกลุกออกเดียวพระศีนั้นพอวายหเขานาปองอย่งก็ถึงแก่ศีลปฏิปติในธรรมว่าไว้แ็ดสังกักงกลุ่มว่าเดึอันนี้กลมาว่าหน้เหียวเขด ถึงแก่ศีลลปีปัามมาติตชา้างมาไก่เตไก่บาตรง้มเหนียวสันทารไปเกาะมือชาำไหลรัได้ยางเกาะมือหือไหลท้ายห้อยพอเปิดซังพอเปิดมิสังร้มระวังตาให้ดีตัวแต่สิ่งดิมกวนตัวแก่ใจเปลี่ยนอไปกาะมื อ, อยางกาะมือไก่บาตรไก่หือไหลท่อยหลาบตัทีตายตรงเหนียวสันทารก่อน เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นตีมาสุภาษิตโบราณขอยชข่งกวดหนึ่งเหมียวสะท้าตอดีเกยไดดยินนํำลายเต้กินปิ่นกำต่อกันไพ่หู้นํำลายเตะกินปิ่นไม่ยิงเตกตุผาเ ต, ต, ต็มูนะฮะพี่น้อยกี่นานก็บอกการนํำลายเตะกินเนี่ย กปีเข้าอันปวดหน้าปวดท้อกอบเกลียนอยากสะทถานเข้าว่ะทอน้ำลายใส่ของค้าใหญ่ๆจึงได้อยู่มน้าปวดท้ออันนี้ก็มาว่าแนวหนึ่งของการสัมรองระวังการสําร่องระวังตาตัวเจตสิงตี่บนตัวหูนั่น ฟังแต่สิ่งที่คนฟังอันนี้นั่นก็ได้ชื่อว่าเต็นการหักษศรีเหมือนกันผมอยากศรัทธาพ้องว่าอินทรียสังวรศรีเมื่อเจ้านั้นได้ว่าเนี่ยผมอยากศรัทธาเรื่องของการให้เปินยอมก่อนั้นมีนิจตังมีอปุมอยู่เรือเป็นข้าเมืองเอา เพราะว่าทำผ่านป่าสองเสียวผ่านป่าสองเสียวนี้มีการเลี้การสร้างหลิงจีวิตจิตใจโดยการไปหาป่ามากินทุกวันทุกวันนักผมเนี่ยสัตห์มือไหนวันไหนก็ไปเวียฟป่ามาหลิงจีวิตจิตใจ กูโผล่บุเมือกปอเสียวขึ้นไตและปวเสียวขึ้นเนือปวเสียวขึ้นเนือ น, นั้นมีเมหางดีปวเสียวขึ้นไตนั้นเม้อก็หังดีทางจ้าไว้หนึ่งผิวดำหนากรเห็นใจสัตว์ที่เฮานี่ในธรรมว่าไว้สองก้อนนี้ก่อไปโว่าหากินโดย การไปแบกฝามากินตุกวันตุกวันมีอยู่มือหนึ่งวันหนึ่งสองก็ปเสียวเฮิรนไตเฮนเนือ้อโจนกันไปแย่ป่าติฝั่งน้าไม่หนปเสียวเฮินเน้อนั่นก๋ำดีนะโจกดีนะแบบกกาไหนก็ดได้ป่าพุดลงือกอป่าหินกันเดียวได้ป่าปเต็มคองเต็มไส้สีทา ส่วนปอเสี้ยววนตายนงกำไหานางเปดตึงวันผมไหล้ตนางเปดตึงวันผมไหลตก็มีจังที่ปอกเอนะิน่ะมีป้ากี่ตัวหนึ่งมากินมันก่อเปดไรป้ากี่ตัวนั้นเสด็จปอกมาเลยเอามาขังไว้ในหมอดิบปลายจานันเดี่ยวสทาภูจัจนันหน่อในถิ่นนะี้จันอาเนี่นะเอามาขังไว้ติดปายจานัน ต้องมือผูกมาก็โจงกันไปหาปาแตั้งปวดเสียวร่นใจปวดเสียวร่นหนื่ตัดกาล่ามือสองปวดเสีไปหาป่าอยู่นั่ปมเหนียวสทาเามี อ, อยู่ตั้งเฮิรนก็อที่มาเฮ็ดพักไปข่าหูอันนี้ใจดีนะมือเลี้ยวจากมีโผไปเฮ็ดการเนี่ยเฮ็ดไปท่ามีอยู่หนอ่อ ใจไต่กินทั้งกินแลซ่อกินก็เร็วเมย์พักไปคาผู้ผมเหนียวสถทาไปซ่อตัวหมากพักหมากเพียงหมากเตยงหมากเตา่เตาในสวนที่ไหนกล่อซุ้มเป็นที่กินหน่วยสิึงมาคุกจะได้ปาตัวนั้นอ้าเ่าที่มาหัป่ปาตัวนี้แหละเอามาต้องสอมไปคาผูเเฮาดี นางก็ไปยับเอาปาในหมออันขังไว้ไปลายจันเนตะิมาแหมไม่เลยแหบต่อมสองปขาโพปอมาวาไว้เนือขี้แ้วหาวมีดซับปาตัวนั้นป๋าตัวนั้นหันพ้ามิดอยา่างสัตหาเวียนกับผามิดกินพ้ามิดต่อไปในืน่อยอันนี้เต็มเตูนะในคำกลอนวาไวา แต่ก็ฟังไว้เป็นตีสอนใจมันนางซ่ำเกิดโ ต, ตสะขึ้นมาแทงเลี้ยนเดาตามเม็ดเอาตามเม็ดมาหยุดซับตาสอนนีาาน่หายกมือซับเวียนกับตามเมดปัตาเมดแวยี่ปัดตามเมดแวสองเกาะสองตีนางเกาะโกะัเออตาีเานเป็นตาขี้ เป็นปาผีโผอ่แหลนไปพอดจอบอยู่ที่เจี๊หื่นเนี่ยสั่นยองกลองไปเพราะโมฟูมันกาจะใค่กลางนี่กอลาเดี่ยโดนมาโผมันเกอะขึ้นมามน า, ง, านงเลยปีปีอกไม้เองมาหักตอนรอเออกำมีห้องมีผมขานโผลอกขึ้นมาตัวเองกูเกามีมาหักถึงผีขนาด วันนี้หันมาเป็นซัมโผก็ได้ึ้นเมื่อตัวหันเนสันหยองหยองพู้ตัมซึกซึกตเจเรก็ไปทองไปถามว่านางเอ้เป็นซัมนางปอกไข่เนสัอรูณป๋าสำกับมือปี๋ผากินปลาหมิกินปาต๋านโน่าที่เป็นตัวละโผมันกลองหยู่เสถยทาองโผมันกล่องหยู่ กันนี่มัวใจกานหัวใจปีไปตัวลอยอยู่เหนือเข้งหน้าตาสองนิ้อยนั้นงมันก็เลี่ยนไปปีผาสวมหลังเอาผ้าเหลี่ยวมาถอดออกจากกับซ่ากเอาทีฟันกวเยียดเนียวก็ปลาทาเปลี่ยนกับผ้าเหลีกันอื่นผ้าเหลี่ยมน่ ล, ลองใส่สองก้า่ผมมีเฮซังไรกวดชวนกันเอาป่าไปขังไว้ปีกลับก็ต้องกังคือลสถาน มือมีความอุกันติปายจังขี่หม อ, เอกเดินดีเดินสามเนี่ยขี่กัดจังหลือความตินอนโผดีเกกรรมชิกรมเนี่ยดึงพอสมควรเนี่ยว่ะมือเสกความอุกันต์อเอโอเอติปายจังมีก็จัโผล่ลุกไปตวัวเป่อซุกไปตัวลให้มาอุ ก, กันติปายจังปอมันก้อนไข่เมือ โผลมาหน่งนะมีสังกาเปิดกายมาเลยเปินกูกันแคก่าไปตัวเลเมียหรือมีความขิงกัดไข่ของไข่ลูกเหนียวๆ้าวเหนียวนอนกอดข้าวเหนียวข้าวโพดลูกหูปลายจันไข่ของไข่เมือหรือกำเนินอะไรอันนี้ก่ทำลายเป็ดกินกันหรือกำเนินอะไรก็ออกไปตัย พอกไปตัวป๋าเนั่นป๋ากาควัญใดตงหนึ่งสถาในคําปใหญ่นั่นป๋าปากําควัญใดบอกว่าอย่าพี่ปู่ถ้านี่เป็นป๋าที่วนาทิมากรรมสองปานหือขึ้นใหญ่เจริญไปทางนาวันผูกนี่ถ้าใครได้เงินใครได้คําไปหาเอาของจังไปหาเอาของเขามาตาเศร้าของเอาทิ้งไอา มันก็ปลอกมานอนหมอบผูกมันเลี่ยนไปซื่อท้องจานเลี่ยนไปซื่อท้องเข่ามาไหวกะเศร้าทองเอาปลาป่าตัวนั้นเหมือนเมื่อถึงตี่หน็ดนัําที่มันเว็ดได้มาก็เหนียวสะทากรนนี้ก็สั่งใจก็หนีเสียแล้วแหละปลาเนี่ก็เลี่ยนว่องนั่งเหมือนสั่งไว้ว่าทาอันซังขึ้นมานี่คือสวสดการขาสวสดการ า, าว่ากูเปกูเปอิติเตีย ก็งีป้ากอเปลี่ยนลงนำมือกั้นพิจน า, านป้าไม่กั้นพิจนานนี่ปุ่งขึ้นมามก็สวส ด, ดิ์คาถากูเปะกูเปะกูเปะทีเ้าก็งีพิหนากนพาพิจนาการยาวขึ้นมาไว้สาใจตันี้ใจปอดเสียวคนตายีไว้ยัเยวถึงตายขาดเงินขดคาสั่งกก่ามาเจียวมาปัน่น มันบอกขับวัวมาใส่ของเช่าของก๋อเต๋มอมันนะเปลนเงินเปลนเปลนแกวเป็นเสียงโก้ให้กล้ปวปอกมาได้เปลนสักทีหูึ่งศรัทธาย้อนไปปาร์ตวาามักก็มาจอยอันนี้ปาร์ตวาาเนอรเหนียวนะเจ็ดคนขายปานะเหนียวเสท้า้าเบาเบื่อมีขายเนื้อขายผ้าหลายเอามาวางหรือเขียงจามมา้าซับกันหนึ่งปาร์ตวาา มากรรมาาใจได้เป็นสัตย์สิรูปเสียวหึ้นเหลือซําไดยินข่าวของเหนียวสถาอารูปวดเสียวเพราะดเหมือกนกำตามเป็นความตุกขวัญฐานหาป่าจงกันหมือเดียวนีได้เป็นสัตย์สิรูยาวก่อมาเอี่ยวมาใจเป็นมาทองมาถามอารูปเปียงนึงเอาคากินไหนมาเป็นปวดเสียวหักกันมาหรือจึงเก่าในทุกสีตุกจากขอเหนียวสัทธาเรา ตอนนี้มันก็มาขอยืมปากอาปาป๋าจะนี่ขยืมอะไรอ่ะอาเสียงเจ้ามือสังป๋าขะไรดึงขนไรคาก็เอามือที่ปเมื่อสิ่งอ่ะอยากเปียวป๋าเมื่อรอปอเซลเซนเป็นคนมตื่นความตงเอ้างันคำอ่เอาเอาเดียวป๋ากมันก็ยืมป๋าเมื่อป๋าถอมือจอมมือถึงฝังในําครับโห่ป๋าเมื่อกลั้งจังไห ตาตัวไปกั้นเทียนหนาเนี่นำนปุ้งขึ้นมาสําฤทนกฐาแบบผมบอกสถาเปิ่นว่ากูเปกูเปะมันสัมปัสกูกั้นกูกั้นอันนี้ความเหมือคนเดิมเปิ่นสอนเจอหนึ่งมันเอาเจอหนึ่งเปิ่นบาดีมันบ่าให้พอเปิ่นว่าให้มันวาดีอันนี้ความเหิืกคนเดิมแหละผมบอกสถากูกั้นกูกั้นแบบตาตัวกั้นขึ้นมาก็นี้ เป็นอวนเป็นหมวยขึ้นมาเนื้อฝั่งมันกนอดแกันเกจจ่าใจาด้านทางตีเป๊ะสำคัญขึ้นมาลาเ็าตามแม่ทราบโกหกันเดียวปาหัตํางตัวกอยขีปะะ้าตายที่หันเสียทางแล้วก็เอาป้าฝังไว้ตีขาดซ้ายหันเหมือนนานปวเสียวขึ้นไตก็ไปใจหาปวเสียวเอ้เป็นหือไยืมป้าทำดีรวยยากกรเนี่ย เอาปามาสองขับคุทเลยมันบระุยบรลายทังพิเต้ชำการคิ่มนาปาเจ้าข้ า, ขาขว่แหววไม่เอาฝางทีขาบไส่ใจหันตายนั่นปวดเสียวงินตายกเป็นอันห้องอันไทย่างสถานไปซ่อตวยตีขาบไส่หันหลีดไปเลีดมาปานั่นสมุดตายหรือกายเกิดเป็นไม่ส้มคำถึงมนาแด็ด ใจตุกะตาใจปวเสียวเรื่ตายนี้ก็ไปตัดเอาไม่ซาำคานั้นมาไววกี่คนคิดสังคมออกเดียสั ง, งออกวดเจจามปอกมันก็มาปักไม่ซ้คนั้นมาเฮ็ดห้างหมูมาเฮ็ดห้างหมูอยาไปสื่อหมูมาเล่งตวยอพอสื่อหมูมาเล่งตวยกําำซิบอ้าลูกก็กินกำนั้นก็น ป, ปีไว้นังอย่าสทาว่าหมูนั่นนะเออ สมเดินรอบเดินได้ขายที่เดียวอะ่ะมันกวด ส, สื่อมากันนี้สื่อมาคำปากสองปากเอาเข้าใส่ทั้งหมูธรรมดานะี่ยนะทั้งหมูไม่ซําคำเนี่ยนะหมูก๋วยเจียวใหญ่หมูกว๋วยเจียวได้ขายกลายเป็นมหาเศรษฐีขายหมูในกันนี้กันนี่ปวเสียวเนื้อซึ่ได้ยินข่าวอาลูกปวเสียวให้แลยนี้มันไปเฮ็ดกุ ม, มันขายหมู รวยมันเอาสร้งมาไหวจ้าพัดเกพัดิมาหาแทมาสอบถามตัวปวดเสียวกว่าเหนยทุกเจอทุกวันอาบนั้นยืมไม่หนึงหาหมูนี้ยืมแค่มันก็ยืมเบอรกันนี้มีเยอมากสิยืมเมอ่อเซ็นเซ็นกันนี่เงินมีเยอะพแค่ขายตึงไห้ขายตึงนาปัดสื่อหมูจริง ใหญ่มีนามียังมีคำสายซอยผิว้ายสิ่ๆ ส, สื่อหมูเอาหมูมาเลี้ยงกงอยากจะทำเอาเขาใส่ห้างหมูไ ม, ม, ม, ม่ซ้ำคำานเลี้ยงคำไหนคำไหนตายหนึ่งตันสองตัวสามตัวสี่ตัวหตัวตายประมาถึงหล่อจะทำไหมซุ้มย้อนเปิดสันาบนุญมีเหมือนเปิดเห็นเปิดห น, นึ่งมีสังไขยองมีสังไขยแยงเห็นเปิดหนึ่ง กะมีมันก็เป็นอันใจดำใสก่กรรมแสนแหล่ๆ เ, เอาปัดใส่ไฟใส่ไฟเปียกเหมือนน้ำปวดเสียวไปจอมไข่หาปวดเสียวอาหางังหูผลดนี่เจ้ายิงมาปวดหือก็รู้ก้ามหมูเป็นหือไว้เอาหางหมูมาสองขึ้นคารัยอูก้าหางหมูจ้าเนอกใส่ไฟเปียกหน่อยเหลือกันเยอะ คาสื่อหมูมันี่ขายตึงไห้ขายถึงนาสายซอยปีวูขายเซนสติกสื่อหมูมันี่ตายไม่ขายตัวขาดใจดํานะหางหมูจะาดอกเขาไปเปลี่ยนอ่ะมันยุ่งไปตัวลกันตึงออกมึบอกันนี้มันก็ไปเข็ดตัวยกันบสีวดนในเอาไม้ไปเข็ดไปเข็ดมาไปหันใตมาป้นห่งกาามือ เอาออกมาถึงเพื่อนคิดสังกลมออกที่หวังที่สร้างกลมจางแฮดมันก็มาจิตตูไไรจริงเอาไม่เพราะนั่นไม่สร้างคำเพระนั่นมาเห็ดบีโหมาเฮ็ดเป็นบีโหมาปั่นี้่มันดีตรง น, นี้นปันนี้มันดีเมมันหังใจบ็หังดีมากําเดียวอ่ะ เหลือคนไปจันนาตัดกางอยู่้างวกําไนกองามมาเมติห่างใจอยู่เมมันเป็นคนห่าง้าเอาเ่อเอียวแค่เหเอียวควายนาต้องลน์มนาต้องขีดเมมันห่างใจอเอาวโหนั้นมาวีกงามมากำเดียวไว้ผมหยอกสไตย์าายานามัตาใสาขึ้นมาควาโหนี้ยาวโปไปถึงหลอ ไฟมันสํ่เขาวัดก่องคืนไฟบอันนา้าห่างดีก่ห่างดีมาอันปีก่อหายไปสิงสิงกัเถอเป็นคนใหม่ลำคอนีล้อมเป็นปน่องยองยังงันหรือสาวงาหนา้ากันนี้กันนี้ถึงน้ำก่เสียวขึ้นเดนอสมัยใหญ่ยังมาหันใส่นางเมศเสียวนั่น เงไปกเดียวจทำตาผมจังเพียบนำก้าวผย่อย่ใส่เสือกิ้งทายลืมสติไปกัเดียวงืไปกัเดียวกันนี้มาด่าผัเสียวมันแอะไรผวเสี้ยว่งเ้นักกันเอามีใหม่เส้นเดาวคาเมื่อเลี้ยวแป้นมหาเศีเอาน้อน้อยนาะถึาวค่าอาเสียว มันใจอันนี้เป็นมีเก่าคาแฟ่นี้อ่านใจกามันยุ่มผมหยุ่มเจ้าห้องจึงเสียงอันเก่าตัวแรกมันกอดที่ขานตอเออการีปวดเสียวขึ้นเหนือกอห้องเหมือนกันเกยห้องนั่นนะห้องจึงเมเซียวนั่นเมเสียวกอกขานตอบมันน้ำมันก็ไม่การีมันก็ดถามว่าอะไรปวดเสียวเจ้าสมปันมีเจ้ากินอย่างน้ำประศรี อ่ามีสังกีสิี่เข้าสิ้นํำธรรมดาเนี่ยแอสั่งเลยงามก็เปิดมีบีหัวเนี่ยงามอ่ามัน้องขอยืมหนึ่ขอยืมเนี่ยเปล่าก็ขอยืมมาเอาเอานงบใส่เสื้อกวดไปดีๆยุมปลื้มปลื้ตรงนึงอ่ะที่ไหนมีงามกว่าตำเหียก เป็นแบบมีเมหัางดีคิดใจหนไปกาบมีเมหังจกักคีใจหนอเขาปอยกรรที่ใดเมงามอันนี้ตวใ่เวบาว้านเอ๋ยนะสามพสามนยุงเปื้อนเปื้อเลือต้องเพิ่งเ่ยถามที่ใดเมงามไปถึงเพื่อนกามืวานนองแบองบ อ, อ, อีมนอานอนเอ้ยมานี่มาเอานอนที่ใดงามนี้ไทยของขึ้นนองแเออ เอาวิโหนี่ไปกีมีมันก็ามาจำมีด้วยสองสามกําไปเองของโหอันสื่ออันเงาอันงามกางอหนิ๊งงอแห น, น, น่งมาเกไปหมดน่าก่อดดำมาปุ้มก่อด้องก่อใหญ่มากก็มีผินซอบก่อนหนามาปากกั้มกลมไข่เป็นกั้มาั น, า น, นปากสีโมเอแอ บ, บ, บ, บเหมือนก็ก ผมโหยู่ตัวต่างเก้าจะไรในคาว่าไว้นะกำลัไงไขก็มาตัวเออมันเป็นตูปเปเลืมบรรยรูปเดี่ยวสถตว์ครับันเรือนไตเรือนเนื อ, เ, อเปึ่แบบจูนกันมากตัวเ อ, อมันก็ดึกมีมาอยู่ไต้ทิ้งกันได้ไปอยู่ตย ไ, ไต้คนหงษ์ังซั่วใจดังเลยวะมีโหยุงป้กเอาไปเปลีย่ยนง เอาวีโหนั่นคืนเขาให้แตแย้มกล่ถึงนานปอเสี่ยวนไตมาใจนอย่าง้อาอเสี่ยวเจ้ายืมีหคันกอยู่ไวเมื่อมันึ้นเงินมันนมันแปห่ใส่เม่ยเสี่ยวเก่ามันนางเกี่นไตไตอาปอเสี่ยวีเวนีแกบุบหลงมา เอาวใจนะเออหงใจคนจึงคนใจเนเมยเซียวเจ้ า, าน่นเออมันเส้นเลยเป็นจ้านั่งก อ, อยออนเปิดีิบูเจ้าเนี่ยนะย้อนเปิดวหูเจ้านี่ยไหนขับใจาา้างหน้าเมข้าหางทีางงาปงพวกเป็นคดี้วัดใส่ไฟเดียบร้อยแต่งับใบตัวหรือกเต่เาด้วยคำนี้มาู มันก็แค่นั้นสีได้ก่อเสียงนั่นก่อเสียงเรื่อไตนก็ใหม่ไปบัาไปเถกด้วหร <c oughs> ือปลาดน่อยก็ไดน่อยหรือยีมมือกันกอมาเกินเอามาหนังขาไก่ก้มนไก่ยนาผากตัเจนจาตัวเที่ยวแค่จำดีจัดให้สาเฮ็ดไม่จิงเขีย มันก็มาแค่ไม่จินเชียวจนเขาเขาหรือิีนวันะรกันเองนวนเป็นคนหนักชนี้มันส่งก่โฮเมีขอเาขอเนี่ยหลักเขาไม่จีนเชียวมันแค่ไับปันออกมาจีตัวนี้มาจีนตัวยากันเองเรในต้องในปั่นมาต่เดียวผมจะท้าหลเรามีปั่นมากาเดียวทำไข่ตัวว่ากันเอยเหรอ ใครตสร้งอันหนัเม่มีจัอันนอูก็นี่ดีอยู่ตอนใส่กันได้ยืดนมันเกาวัดมไหร่เจได้ตป่อยๆจะทากางนาโบกเขียวอ่ะป๊ตมาต้นนั่นทางที่แหมงนสั้หมนดอกหอมตัวบางตัวเล็ก หอมไปตัวบางตัวงึนฟันมีบุญตดอยยังหอมมียมีเสียงหอมช่างอสู้อช่างหอมช่านหอมต้อนเจี๊ยบต้อนที่นหนูต้อีกหนูเมียขดองแกับตอนทผมมันต้อนเจียนี่ฟันทักต้อดใส่กันกว่าอยู่เจ้ากันไหนบอกเขาบอกเงินงนจามได้ไง ต้องใสใ่าไปมีมันวามวัมนต้อไปกันหนีหยอกผีกันเมี้ซุบผีมากอยู่ของท้าวก็รูไ้เลยพอมันรอใจของมันหักก่อนระบางที่หนึง่งโคตรหดอกิีผีบอกคำมีบ า, ามอย่างคนท้าวกัน ตนใส่กางเกงหางดำตอนนี้ผมไปตบานตัวเมืองอมไปกันไปเข้าแถวผู้ดาชาตเมือในบานในเมืองเปนเพื่อกันไหนออกรนนี่ปดสิวเพื่อนนึกกดไดดินขาวอารมณ์ปวดเสียวดีต้อมหวานมันกอดดำมาจงเสียวต้อน้นนะ ต่อเข้ามาพอถึงเงื่อน่ะนอ้าวรเซยจะเป็นสลกตอออมามีของดีมีของีมจริงจนี่นีมันก็ปโปรเซมันจีิงตัวนี้โปรเซียวมันจีมันกดกองคิวเหมือนกันเลยต้อออกมาเหมือนกันกดสหอเหมือนกันน่ะพี่นะคอนโซลของมีสองตัวนี้นี่จับไอ้ข้างขวาจรเนี่ยต้อแเ ก็มีหอมไปตัวบางตัวมึงคนในกาดเลดีก็ได้เสียวตอนนั้นถเสียงกดีเข้าไปถึงหางถึงหอวพาจารณาบางเลยตอนมก่อติดใจเสียวนี่หอมเหมือนน้ำสักขวัญใจหอเหมือนน้ำหอมขวัญใจเอาลูมันหอมสะางอามาดลูกกระสุต่วูในมือนี่มีช่างปัดคาบูอาหมา ที่มองลงหลุมลงมาคุยหอมสันี่ทางมาจากทางต่อไปถึงกลับหอมสันี่ความในอากาอมตอ้นออาลูเ ป, ปกก็นตังค์าเปียกคะนต้นไหนหอมมีกี่นเตซ์มีสอ ง, สงกตกว่าเสี่ยวเงินไตเงินเหนือแบบเขาต้นหอมอ่ะกางนี่ แค่จำมืองสั่งกัมมาวัดกงเหนียวสัทธาถ้ากันว่าต้นหอมเต้นที่ปังกินเมืองขึ้นห้องเอาสองก้อนมือเปิดถึงทางถึงหอสูสองก้อนี้อันเปิดคือว่าต้นหอมนี่ใจขาต้นหอมเตะขาต้นไปรู้อาบตนไหลขากอาบยาเหนืยวหเจ้า ใส่แต่หน้าดงเอาโตดเอาต่างหวังนับอุ้งางเอาถึงตาย้ำฮัทต์อดขายตอดเลยอันหยับปล่อยเสียงเพินไตายมันก่อถึงตอดตึงหูอธิคามดีศาธุปฏิบาตามากุมมางามมาจอยเอาไม่จินเขียวแหจิจินมายาวกิงตัวปัน ตอดกามหอดังป่าเดียวเสียวหนึ่งม้น่ะครับาเจอนางใจเสียหน้าอามาจึเรียนมาดองตอ้อสิ่ดอดองหนึ่ <c oughs> นาเนื้อสัตว์ทั้งหลายต้องการขุาวโพดจังตอ้อก <c oughs> ็มีพยาจะเมืองกดอดต้มสูตรเข้าไปปมไข่สูตรอมาขึ้นเนึย่ยเข้ามตัดกงางเข้าในย เอออารมงนต้นคามเตียมีปุนเดียเอ้ามาหนังเฮกันมานังเฮกันปั้นตินเมืองขึงกลายเป็นเพี้ยนจานเมืองโกกแทงก้หนึ่งไหนกเสียว้เนื้อต้อนคอมนี่ออกขาตัวตู้อาขักต้ขาเออตอนแรงเป็นชั้นอนุญาตฟัทเอาต่วนเอาตามชันก่อขต้มที่ยงกำในงามเจ้าดงยำเปี๊ใจ้ถึงอย่าจำมึงนะมามาก็จำจำ คือมาต้อนจังๆสังพอแบบคือบีก่นมาตั้งยาจมมันอ้กมาฟองตอนนี้ที่ตอนของต้อนถึโกที่ตอนของมาต้อนยาจมูกพื้นใสตอนเน้มันถึโก้ถึงแดงปกป้าตั้เนื้อเาไเดียวมั้ออกม่หยไปตรวจบางตรวจไม่กี่ต้นนี่ mưa sang nắng nửa lần này nắng tổ vàng tổ bồi và sena amả h l o ai m ừ n i n h n g sang chào c h à m n g chúng ta nhiều n ó chơi mì m ị c ó m ị ma sắc chơi mì tám nét đỏ tám nét ma tuổi c h ơ mì m n mà lai cỏ mướn mà lai mà t quát tái tập n g con phòng âm mịn âm á ị t ในาำหน้าถิ่นนำสา่ยาวจมืกตัดคำหัวปลาใหญ่ลงให่ต่อเจ้าปู่ได้ตายเมืออย่ากระทาพอนนี้มีคำก็อยู่ในคำจีวะพานป๋าปสองสเสนธรวแก่ทำกองจิตของทอ น, นกติทำคำสอนติเอาได้จากเรือง น, นีนั่น ก็คือว่าบุญของมีฟาร่มมีของกรรมเก่งเอาที่ไปเองเค่เปิ่นของมีเหมือนเปือนไข่ิ้เหมือนเปื่อนไข่ยองเหมือนเปื่นนั่นแต่ไปไหนโตเก่าห้ก่อนที่จิ้มหายวายมวยแ่ของอย่างสัทธาเออหันเปือนตามหลายเอาไข่ตามหลายจำเปินไปกูเปือนมาตามหันเปนตามทำเอาตข่ตามทำจำเปินไปขายขายหน้าไปกูเปื่นมาตามเปิดก็ไดเสนาตา จับจิตหายไปบ้วยพราะฉะนั้นสี่มาใครเนี่ยผเหยียบศรัทธาในสิ่งเป็นสิ่งที่สอนจิตสอนใจคือผมเหยียบศรัทธาในเรื่องของการใช้ชีวิตคือมันพอดีคือรู้จักกาขันเตะกาเข็มกาขันกี้บในสิ่งของที่เราที่ใจมันใจคือมันพอดีกับตัวกับใจของเรากับน้ำอ๋อตัวเงินของเร า, ขเามันพอดีมีเก๋กว่าตามเก๋ หลายก่อตางหลายตามขีตละสัท า, ทนน า, าการเฮ็ดการสร้างปกหมื่นกัน้นปกเหย็บสัทธามีเกตเฮ็ดเ ก, ด, เกดที่หลายเฮ็ดหลายและวันนี้เป็มาตรฐานศสนาธรรมในปกเหย็บสัทธาไปแล้วก่อ น, นึเวลาถึที่หนึ่งก่อนจบวันนี้นะ่นหลายก็ตั้งใจมาแข่งันกมีหลายก็ตั้งใจมาผู้อ่านหนังสือหนะังสือหนะงสือ มันก็พอหันห น, า น, น้าตุบีเสริมนฟังรถมนก็มีทีเดียวกายเปนตุ้บีจากเสริมแค่ก็จะนั่งบันนี้ก่อมีถือว่าสุดท้ายแต่งกำลังสอบศีรษะที่า ม, มาสอบปรมโสถาในฟังิดทาในวันนี้ประมอย่างสถาได้คิดตใจท่ั กระลิบดอกไม้กี่ใ้อาเผยข้าวกัญเฮยกัดหนาวสั่นดางกอยฟังเตื่อสาวเมจิดอกตางตู้ปีของโซโกาว้จับวาดกำสอนผ้าองตางไขส่สบพันยูตางเจ้าไขมา สีนหาเส น, นีเหมือนดอกผู้ผาหอมหญิงหน้านาจุมผูโลกไตปัญจาศีลากัมภาเก่าให้กันไผตัดต้องรงังเขียวจะถากาสมงามเหมือนอินเบาแนวงามหรือปืนสีงหน้านา ออมไปตัวปืนทับโลูกลูกกาหาไหนจังมาผีติมเบาได้สินฮานีเอยกำผภาเก่าให้ปีจักเก่าเจียงตามีีสินตีหนึ่งนั้นปานาลีดีอย่าได้ราวีอากู สัตว์น้อยสัตว์ลูงป่านาหือลาเว่นเบตเทนาะนาดหนองอย่าได้เอาตายหูให้เสนร้รองจกเป็นบาปของตุเรา เซนตีสองนั้นฟังเนอ้อน้องเขาอาติ น, าน้ามีอย่าลับเปินบ้านของเปินเบาปันกัมภาเก่าตาย่าไปลักออาบาปไรกูได้เป็นดินเน้เนอเม่มวยใจตูปีเก่าฮือปันฟัง สินคอสามนั้นแม่ซอยดอกปังตู้ปีไข้ฟังกามีวายเต่งงานนี้ผู้ยาสปาดีมีจูอื่นแขงเออร์นองพี่สินกามีเป็นบาปติดของจอมตู้แห่งอันตัวเรา จุงก่อยอดยืนสาวน้องนางเขาอย่าได้ไปเมาก่อฮืเปืนบ้านกันหากปล่นใจอย่าได้หมายทานกํามนี่ยื้อพี่น้ อ, นองกูเปลี่ยนำวินตอบสายพี่น้องจักตุกอยาพอันใจขอ สินงก่อสินั้นแม่มากสะหมอแม่สวยโสก อ, อ, อย่าเป็หลายอันบาหนี้แต่เฮยจุ่ได้อัดกันอย่านับจาไปเนื้อไทย กันกึมงกันจ่าวาตาเก่าไก้ก็จังพิษใดเรือนนันกันเบามีเตย่านับจากกันปีน้องป้องปันพิษกันจูนาขอหานันเง้ย ตาเอยห้องลาวาสุรามีเก่าไว้ย่านับเตากินเนื้อซอยดอกไม้สติอาตดยหลงเมากันกินเย็ดน้อยตามําหมอเขาหากจังบันเตารู้กาขีไข่กินไปนักเฮ้ย เมือนควนย่องไปนับเตาแหดไปจดปาดนาป่ากำลอนเหนือโมเมเตตักโอนันตัวบานเรือนนัน้นปีเก่าพันน้องตามผ้าไข่ปันได้จูนกันฟังจุงจำชื่อไว้กันรับสาดี มีคนแต่ใสจังใดสุ้บ้านเตะเตะกรรซใจของเก่ามาปันเตขอจับเต่าอีบ้างโปก่อนเดบุญเฮยเป็นกรจอยกรรสอินหาจอยสนี้ผมยกสัทธาในฟังก็โดยก่อนเวลาไปอนึง าการตีสนารมในวันนี้นะั้นก็คิดว่าผมอยากสาัทภาที่ใดคสอนจิตสอนใจบอกไปน้ำาโกเกต ก, อ ก, ก็อินก้หนไอยแล้วก็ได้ฟังนิตานทอดของผมอยากสัทากต่อไปไทรห้หลุดนน้ลังได้ตีสนาวัานี ในตีสุดท้ายแห่งธรร ม, มาฏิสนานีก็ปัน่นว ร, ราจํปนของเหงอกสะทาคือปมเหงอกสะทาทุกภูตุกตคนันตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในนัำธรรมการสอนของพระพุทธเจา้าได้มาหมกีหงตาณก็โดยฝังเข่าปริวาสกรนี้แล้วคือปมเหงอกสะทาทุกภูตุกตคนัน หายจากข้อเจ็บข้อใหม่ข้อไขข้อหนาวสามซิดข้อไปลนาหาซิดข้อไปหลังจุงลูกีนัดกาดกาไปเดินสามนี่จากหนาวนาเดินหาจากหนาลรองเจริญมีกู่เพียงจ้องกบลาัารต่อเทายาบวิจิบาลเจริญยังเป็นเปบาเป็นสาวเป็นในห้างในใหม่ปั่นไผ่เป็นบาเจี่ยวหา คือปมหยอกสะทาทุกขูตุกคนนอนรับได้เงินหนึ่งตื่นได้นนนนนเงินแสนแปตงเมื่อได้เงินล้าขี้ข้ามืออะไรเงินโกรดกล้าขายไปอูไปโบดคือเหมือนปั่นได้คือปมหยอกสะทาทุกขูตุกคนมีที่ปึ่งที่อาศัยวันที่หนึ่งถี่ออกคือเหมือนดังอ้อวันที่สิบพ้อี่ออกคือเหมือนใจ คือผมหยอกศสถทาป้อนจากโลกาพยะอันตรายตังสีงตังงมูลขีญาตสนายังรรมอันชื่อว่าภูปฏิบปธรรมยยอมอยู่เป็นสุขก็สาเรเจ้โบรม์การาปุลเต่านี้ก่อนเน้